ทีนีส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราได้ตลอดเวลาก็คือการได้ยินได้ฟังที่สุตตมัจาปัญญาาคนเดียวสมัยนี้เขาทันสมัยก็โหลดเอาสิ่งที่ยินเนี่ยเขียนที่ละเอียเป็นเอ3ตพทวีทีหลวงพ่อเราเขียน16บอยู่ที่เขียน24่สี่เนี้เครื่องเปิดเนี่ยคุณภาพไม่ดีมันก็ไม่อ่านแต่เขียนบเนี่ยมันละเอียดขึ้น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 หาคนนู้คนนี้คิดวุออ่นวายไปหมดแต่ถ้าเราเนี่ยดูดมันเฉยๆสักพักหนึ่งบางทีมันหายเฉยเลยวันนั้นนาจารมาถึงท่านมาเช้าเนี่ยทีสามดีสี่เข้าห้องน้ําที่ทางไปห้องน้ํานีมันต่างระดับท้าไปเหยียบยด้ยครื่องเดือบพลิกกรอบลงไปโอ้นั่งพับลงไปเลยตรงนี้คอเนี่ยบวมขึ้นขนเรื่อยๆไอ้นั่งพับอย่างไงเราก็ไม่รีบ นั่งดูมันด้วยยังไงเอามือคลำดูนวดไม่ให้คนอื่นเห็นถ้าคนอื่นเห็นเขาจะตกใจเพราะมันสรุวสร ว, วอยู่ทุงเช้านั่งนวดให้เลือดลมมันผ่านไม่ให้เลือดลมมันไหลครั่งมันมันเลือดรุ่มผ่านมันค่อยหายไปที่ทนี้แค่นิดค่อยลากตัวเองไปหา ย, ยายาหม่อง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 นั้นทุกเวทนาทุกจุดที่เกิดในร่างกายเนยมันเป็นตัวเร่งคุณธรรมอย่างดีแต่ว่ามันจะต้องมีตัวดูมันจะต้องฝึกตัวดูให้ชัดตัวดูตัวนี้มาอยากจะเรียกว่าตัวสมารถที่สมารสติสมารถที่สัมพันธ์กันถ้าไม่มีสมารถทิก็สมารสติก็เกิดไม่ได้ต้องทำตัวดูนี้ให้แม่นยามากเลยถ้าตัวดูนี้ไม่แม่นยาเนี่ยมันไปแยก รูปแยกนาวออกจากกันไม่ได้แยกเวทนาก็แยกสติออกากันไม่ได้แยกสุขแยกทุกขก์ออกจากกันไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นคำว่ารู้รูปนามคือรู้ว่าเรื่องของกายเป็นอย่างนี้นะเรื่องของจิตเป็นอย่างนี้นะเวลาจิตแปลปรนขึ้นมาก็มันหมายความว่าจะไปทาให้กายแปลปรนด้วยเวลากายแปลปรนขึ้นมาก็มันหมายความว่ามันจะไปทาให้จิตแปลปรนด้วย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 คุณค่างขางการเกิดมาเป็นมนุษย์มันดีตรงนี้มันรู้จักปรับแต่สัตว์อื่นมันไม่รู้รจักความหมายของว่ า, มมาสัตว์อื่นของพ่มันหมายถึงสัตว์เดริชานะี่หมายถึงสัตว์คนนี่แหละที่จิตมันเป็ น, นเป็นอ า, ายภูมหรือจิตมันเป็นสุขตีภูมิมันังมาปรับพอดีอย่างนี้ไม่ได้สัตสัตโลกก็คือคนที่โหดร้ายใจร้าย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 บางเบีผล ป, ประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตัวเองพวกนี้ก็เป็นสัตว์เขาเรียกสัตว์อสูรอสุรมนุุษย์ษยกายในะช้บังคับอำนาจของตัวเองที่มีอำนาจกำลังทรัพย์กำลังปัญญาใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือพวกนี้เขาเรียกวพวกอสูรก็มีกำลังกันแล้วก็สัตว์อีกประเภทหนึ่งคนที่ มานะทิฏฐิกดดูถือดีลั่นไม่ฟังใครเอาแต่ใจตัวเองอันนี้ก็เป็นสัตว์ประเภทเดลิชานเดลิชาโนแต่บางคนเป็นคนมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลแต่ก็ยังมีทุกข์อยู่แต่เป็นคนดีแต่มีทุกข์นี่คนเรามนุษย์เป็นคนดีแต่มีทุกข์ในบางคนนอกจากมีเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็ยังรู้จักอายนะ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 พรอบครทำตัวดีมาตลอดแต่ก็ยังทุกข์อยู่แต่ว่ก็อยากมาทำวิปัสนาทำอย่างนี้สร้ามาเจริญสติมาเจริญสมาธิปัญญาจนรู้เห็นจิตของตัวเองนะจนสามารถแยกออกได้ว่านี่สุขอนี้ทุกข์เอาสุขทุกข์ออกไปทำใจให้รู้เป็นผู้รู้คนนี้เป็นมนุษย์สัตว์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 นี่เรปฏิบัติกรรมาฐานเราก็หวานอมขงกลืนจะไปทำอะไรก็ไม่ดีกับเขากลัวเป็นเป็นบาคกคล้งเขาว่าคุณเราเป็นคนไม่ดีหรือบางทีสามีดีดินภรรยาชอบไปเล่นไพ่ยบยังมุกนอกใจเราจะพูดดีๆก็ไม่รู้เรื่องทำตรงนี้มันก็ต้องใช้อำนาจบังคับกันบ้างตอนนี้เราจำจำฝึกตัวเองให้เป็นสนุกบ้างต้องใช้อานาจนะ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 เทดาอินพุมอริยะปรุงไปเรื่อยๆแล้วแต่จะปรุงไปถึงคั้นประหันมันถึงจะได้จะเป็นน้าแยกน้าออกมาเป็นน้าบริสุทธิ์นะเพราะจิตกับกายกายกับใจพไม่ปรุงกันแล้วเนี่ยพระโสดาบันแยกได้25าเซตน้สะอาดออกมายแต่อีกสิปรนกหลอยู่คุณคุณน้อยน่อยพระิการาคามีแยกน้าใสห้า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 เราจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยที่เราจะทําแต่เป็นความพยายามที่จะทําใช้ความแจ็บคลายใช้ปัญญาทําบุญให้เป็นทําบาปให้เป็นบาปถ้าทาให้เป็นเผาเราใช่ไหมบาปถ้าทําเป็นกลายเป็นปัญญาไฟเนี่ยโอ้โหน้ากลัวเนี่ยเขาบดึงออกมาอันตรายใช่ไหมแตะต้องไม่เป็นทําให้ไปตายถ้าแตะต้องมันเป็นทําให้แสงสว่างทํางานได้แตลอเวลา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 เพรนัเลยถึงทวีตหรือถึ tweet, อถปฏิบัติต่อบคุคคลที่มาหาเรานี่อย่างดีเลยแล้วคุณจะเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าคนกูจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะก็จึงอยากจะให้เราได้ประคับประคองอย่างนั ก, นกบวชของเราเีที่เป็นสมถทิฐิไม่ต้องไปวิ่ไปทําบุญที่ไหนละแค่รับละในสิ่งไม่ดีก็เป็นบุญมหาศาลได้ยังไงแล้วคนที่เข้าใจวิปัสสนาแล้วทําบุญก็ได้บุญเยอะ บาปนี่ก็ใช้เป็นอย่างที่ว่ามาเมืเ่อกี้ถ้าลูกคนดื้อ ม, มันซนไปติดยาไปก่อคดีเนี่ยเราจะมาใจดีกับลูกลูกขาลูกแช ล, ลูกจ่าได้ไหมไม่ได้มันก็ยิ่งเลียวไปเรื่อยๆใช่ไหมพ็ตีก็ตีพอเคียนก็เคียนพอเอาไปขังคุกก็ต้องเอาไปต้องใช้บทสานรกกับมันะมันถึงจะเอาไว้อยู่แต่เราใช้บทเทวดาไม่ได้ทุกวันนี้พ่อแม่เป็นเทวดา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 แต่แรกๆใช้ได้ดีอยู่อันานานไปหมดแล้วเพราะใช้แล้วไม่ไปยอมเติมไม่ยอมเพิ่มก็หมดเป็นเหมือนกันเพราะตาราบใดที่มันยังไม่คงที่ในใช้แล้วมันหมดนะแต่ถ้าอะไรมันคงที่แล้วที่เป็นปรามาัดมันคงที่แล้วนะยิ่งใช้ยิ่งเกิดแต่ถ้าอะไรสติเนี่เป็นปรามาตัตดเป็นออโต้เป็นอตนัตโนมัติแล้วเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งเกิดทํางานยิ่งมากยิ่งดีสติปัญญาเกิดเพิ่มเยอะขึ้นแต่ถ้าหากว่าสมาถสติยังไม่คงที่เนี่ย